เวลาที่คนเขาด่าเราเนี่ยท่านผู้ฟังมันดีแล้วเพราะว่าเขาชี้ขุมจับให้พฤชาได้เคยตรัสกับท่านบรานนนเกี่ยว คนที่คอยชี้โทษคอยกล่าวคำกณับเนี่ยนั่นว่าเราอาจจะผิดจริงเราอาจจะผิดไม่จริงเราไม่รู้ ฟังแล้วก็ให้ทําใจเป็นกลางๆนําพิจารณาให้ดีหรือบางทีเค้ากล่าวหาเราด้วยวาจาที่จริงถูกเวลาแล้วก็ อยู่ตรงกลางๆได้ไหมถ้าเค้าชมเราๆมีใจยินดีนั่น เรื่องศีลได้มั้ยคนผู้รู้ผู้อื่นเค้าติเตียนเราถ้าลูกฟุตบอลหรือลูกบาสเกตบอลที่คนเค้าเตะหรือโยนเข้า คนพูดยิ่งเอ่อดีเท่าไหร่ก็ยิ่งกลับไปดีเท่านั้นหรือว่าชายที่เค้าด่าทอพระพุทธเจ้าเคยตรัสกับ เอ่อจนทั้งเหนื่อยนั่นล่ะดาจนเหนื่อยก็เลยมาถามว่าทําไมสมณะโคดมไม่ตอบ ก็เบรบเทียมเหมือนกันมาอะพรามเธอมาอยู่ในสำนักของฉันเอาสิ่งวาจาที่หยาบ <c oughs> เราสามารถเดินอยู่บนมรรคได้มั้ยเดินอยู่บนหนทางที่จะไปสู่ความดับไม่เหลงทุกข์เดินอยู่บนหนทางที่จะวิธีคือผลที่ แล้วมันต้องไม่โต้ตอบเดี๋ยวมันก็ถูก 6 e เลนอย่างเงี้ยเลนเอี้ยวไปอ้าวมันจะออกนอกเลน ก็ตบๆๆๆมันกลับเข้ามานะเหมือนกันบางทีจิตเราเป๋ไปนะเป๋ไปขับไม่ตรงหัวมันเป๋ไปเป๋มาเหมือนกันเรา ตรงๆตรงนี้คือทางตรงทางลัดทางตรงนะทางตรงทางลัด 8 นั่นเองนั้นคือทางอื่นเนี่ยมัน แต่มันก็คือทางตรงมีทางเดียวน่าจะว่าเป็นทางลัดก็ได้เพราะว่าจริง นะแสงสว่างความมืดก็ไม่ปรากฏอยู่ในนั้นแนวระบอบ รายการก็ได้ก็ได้หรือว่าไปที่เว็บไซต์ที่ เผียวธรรม.com เมื่อเรานั้นก็จะมาพูดคุยกับท่านผู้ บทต่อคําสอนก็คือแสดงธรรมนั่นเองแสดงธรรมไม่ใช่สอนธรรมนะโอยมัน ไส้ข้อนี้กว่า 1 เดี๋ยวจะมาบอกต่อธรรมะได้ได้อย่าง อันนี้สามารถบอกต่อได้และแล้วอย่างน้อยก็ต้องมีอีกอย่างนึงคือ ตรงนี้แหละสําคัญว่าเอ่อบอกต่อยังไงเรียกเรียกว่าไม่บริสุทธิ์บอกต่อยังไงเรียกว่าบริสุทธิ์เราดูคุณสมัครของผู้ที่ ต่อให้ธรรมะนั้นบริสุทธิ์อย่างไรก็ตามณเจตนาของผู้บอกก็คือไม่บริสุทธิ์ล่ะทีนี้การบอกต่ออย่างไรเนี่ย นะเข้าใจความหมายของเขาว่าแม้มันควรจะให้ๆ เราจะแบ่งปันเขาเนี่ยนะเราแบ่งมันแล้วเราไม่ได้ลดหนีธรรมะนะมันไม่ได้ลดอื้อมันดีนะของนะความสว่างของของ เราอาศัยความเอ็นดูกรุณาความอนุเคราะห์ก็ได้นะอาศัยความช่วยเหลืออย่างตอนสมัยเราเป็นเด็กอ่ะถ้าเราไม่มีครูบาอาจารย์นะครูอาจารย์ที่สอนเรา ไม่มีมารดาบิดาเป็นแดนเกิดไม่มีข้าวปลาอาหารยื่นท่านให้กิน นะบางทีมันอาจจะมีสิ่งที่เรา นะคําสอนยังอยู่แต่ช่วยอะไรนะช่วยซึ้งกันแล้วกันนะเราไม่ได้ช่วยปุรุชาหมุนธรรมจักรธรรมจักร คือหมุนตามคำสอนที่ได้หมุนเอาไว้แล้วนะคือบอกต่อคำสอนหมุนตามตามจักรที่ได้หมุนเอาไว้ พบกันใหม่ในวันปรุ่งนี้จริงบาล